อนาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ391 1. ้อก้าพิสูตไม่รู้ว่าน้ำ ม, มีสัตว์มีชีวิต2อพิกษุรู้ว่าน้ำ ม, มีสัตว์มีชีวิต3าพิสูตรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตจะไม่ตายเพราะการบริโภค 4. ภิกษุวิกลจริต5้พิสูุต้นบัญญัติสัพปารกาคาสิกขาบทที่2จบ